ครั้งหนึ่งภาษาวกอาทิพระโมกคลานะภาษาลิบุตรได้ถามพระพุทธองค์ว่าป่าเนี่ยงามเพราะเหตุใดเพราะภิกษุเช่นใดพุทธเจ้าก็ตัดตอบว่าป่างามก็เพราะภิกษุที่ทำความเพียร นั่งกายตรงดำรงสติมันแล้ เ, เปลยนเช่นนั้นเนี่ยก็พอจะกล่าวได้นะว่าเนี่ยคืนนี้เนี่ยเป็นคืนที่งามาที่งดงามก็เพราะว่า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 ค่มคืนที่ผ่านมามีผู้ทำความเพียรตลอดทั้งคืนเนี่ยมากมายทีเดียวนะโดยเฉพาะพระเนี่ยปีนี้ก็ทำความเพียรกันนะตลอดทั้งคืนกันนะ มากหน้าหลายตาด้วยกันมากกว่าปีก่อนๆเช่นเดียวกับ ญ, ญาติโยมแล้วก็แม่ชีอันนี้ก็เป็นเรื่องที่น่านุโมทนาเนะนะชื่อว่าการทำความเพียรนะที่เรียกวันเนสัชชิก ค, คืออยู่ในเรยบด นั่งก็ดียืนก็ดีหรือเดินนะแต่ว่าไม่นอนอย่เรียกง่ายๆว่านะทำความเพียงข้ามคืนเนี่ยสหับหลายท่านเนี่ยนี่คงเป็นประสบการณ์แรกนะหลายท่านหลายคนอาจจะไม่ได้คิดด้วยซ้ำว่านะจะทำได้ตลอดทั้งคืน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 พวกเราสามารถที่จะยืนระยะกันทั้งคืนได้นะไม่ว่าในอิเลียบทใดยกเว้นอิเลียบทนอนนะก็เป็นเพราะส่วนหนึ่งก็มีความศรัทธาในหลวงพ่อคำเขียนอีกส่วนหนึ่งก็เพราะว่าเรามีความเพียรเป็นพื้นฐานอยู่แล้ว เพียงแต่ว่าเราจะเอามันมาใช้หรือไม่เท่านั้นเองถ้ามีเหตุปัจจัยที่ดีนะเราก็สามารถจะดึงความเพียรออกมาใช้ซึ่งเชื่อว่าทํทำให้เรามีความมั่นใจในการทำสิ่งยากสิ่งที่ยากกว่านี้ได้ในวันหน้า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 ไอตัวหลงเนี่ยมันก็ไม่ยอมนะเพราะว่านี่คือเวลาของมันเวลาที่มันจะครองจิตครองใจเรามันก็จะพยายามนะเอาชนะจิตใจเราให้ได้พยายามที่จะล่อลอกพยายามที่จะสะกดใจของเราให้ง่วงไอตัวหลงนี่มาในหลายรูปแบบนะ อย่างคืนนี้ก็มาในรูปของความง่วงเป็นนิวรณ์ตัวหนึ่งนะบางทีก็มาในรูปของความฟุ้งซ่านบางทีก็มาในรูปของความขุ่นเคืองกดแค้นบางทีก็มาในรูปของความ ค, ค, ค, นนามาความโลภหรือตัณหา่เรียกว่าการมาฉันทะแต่ว่า ที่มาเด่นนก็คือไอ้ความง่วงนี่แหละตัวหลงนี่มันพลั่งพรูเข้ามากระแสเชี่ยวกรากมากนะเพื่อที่จะให้เราเนี่ยสยบยอยู่ในอำนาจของมันให้ได้ก็คือหลับนะหลับไหลไร้สติไอ้การที่เราพยายามตื่นทั้งคืนเนี่ยนะมันก็ต้องต้องเจอกับ จะเรียกว่ากองทัพนะของตัวหลงก็ได้มันก็มาชั่วโมงแล้วชั่วโมงเล่านะบางทีอาจจะมาทุก1ิบนาทีหรืออาจจะมาแทบจะทุกนาทีก็ได้การที่มันพลัง่งพลูข้ามาเนี่ยตัวหลงเนี่ยนะมันก็มีข้อดีนะครับเราคือเราได้เรียนรู้นะว่าจะไม่ยอมแพ้มันได้อย่างไร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 ก็ไม่ยอมไอความตั้งใจที่จะไม่ยอมอยู่ในอำนาจของตัวหลงความง่วงเนี่ยมันก็ทำให้เราได้เห็นนะได้เห็นอุบายได้เห็นลักษณะอาการต่างๆของมันและทําให้มันเอาชนะจิตใจเราไม่ได้หรือเอาชนะใดอย่างอาจจะง่วงหลับไปสักหน่อยอาจจะสพะพงกบ้างทั้งๆก็ตื่นขึ้นมา อาจจะเป็นเพราะมีเสียงบรรยายเสียงแสดงธรรมนะที่พอกระทบภูมิก็กระเทือนไปถึงใจทำให้ตื่นนะตัวรู้กลับมานะตัวหลงก็เลือนหายไปแต่เดี๋ยวมันก็มาใหม่มเราก็ได้เห็นนะได้เห็นอาการได้เห็นอุบายนะของมัน ไอการเห็นเนี่ยช่วยได้เยอะทีเดียวนะแต่ก่อนเราไม่เห็นนั้นเราเข้าไปเป็นเลยนะแต่พอเราพยายามที่จะตั้งหลักนะก็เห็นมันเพียงแค่เห็นเนี่ยมันก็ช่วยทำให้ใจเราเนี่ยอยู่เหนือไอตัวหลงได้ การเห็นนะถ้าเราเอามาใช้กับทุกข์ที่เกิดขึ้นรวมทั้งนะความปวดความเมื่อยหรือทุกขเวทนามันก็ช่วยทำให้หลุดจากทุกได้นะหลวงพ่ อ, อมเขียนนะท่านเคยพูดประโยคหนึ่งนะอยู่หลายครั้งนะว่า ในทุกนะ่ะมีความไม่ทุกอันนี้กท่านก็พูดบ่อยครั้งพอๆกับที่พูดว่าเปลี่ยนทุกให้เป็นความไม่ทุกนะอันหลังนี่ได้พูดไปแล้วนะเมื่อวานว่าเปลี่ยนทุกให้เป็นความไม่ทุกนี่มันหมายความว่าอย่างไรนะ เปลี่ยนทุกเป็นความไม่ทุกข์ในทุกข์มีความไม่ทุกข์นะอันนี้ความหมายก็ ค, คล้ายๆกันแต่ก็ไม่ได้ไม่ใช่เหมือนกันทีเดียวนักแต่สิ่งหนึ่งที่เหมือนกันก็คือว่าทุกข์กับความไม่ทุกข์เนี่ยมันไม่ได้อยู่แยกกันมันเกี่ยวเนื่องกันนะทุกข์นี่เกี่ยวเนื่องกับความไม่ทุกข์นะ เราสามารถเปลี่ยนทุกข์กายเป็นความไม่ทุกข์ได้เหมือนกันเหมือนกันที่เราสามารถที่จะเปลี่ยนขยะให้กลายเป็นดอกไม้เป็นผลไม้ส่วนคำพูดที่ว่าเนี่ยในทุกมีความไม่ทุกเนี่ยนะมันแสดงว่าทุกข์กับความไม่ทุกข์นี่มันอยู่ด้วยกันไม่ใช่แค่เกี่ยวเนื่องกันเท่านั้นแต่ว่าอยู่ด้วยกันเลย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 ในที่หนึ่งพระพุทเจาก็ตัดว่าเนี่ยในเมื่อมีความมืดแสงสว่างจึงปรากฏเมื่อมีความไม่งามนะความงามจึงปรากฏนะตัวอย่างง่ายๆนะไฟฉายเนี่ยถ้าเราส่องกลางวันเนี่ยไม่เห็นนะนะไฟฉายไม่สว่างมันจะสว่างได้ก็ต่อเมื่อมืดนะพอมันมืดมาแลนี่ไฟฉายจะสว่างเลย นะมีความมืดนะความสว่างของไฟฉายจึงปรากฏการเดีวกันมีเงามึดได้ก็เพราะมีแดดนะถ้าไม่มีแดดก็ไม่มีเงามึดนะทั้งที่มันตรงข้ามกันนะแต่ว่ามันจะเรียกว่าอยู่ได้กันก็ได้หรือว่าเป็นปัใจจใัยกันให้ลองดูดีๆนะในทุกข์ก็มีความไม่ทุกข์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 เมื่อใดก็ตามที่มีความทุกข์ใจเนี่ยนะถ้าเราพิจารณาดูดีๆนั้นะมันจะเห็นร่างเงาหรือสมุดไทยแห่งความทุกข์นั้นซึ่งสาไปถึงที่สุดก็คือความยึดติดถือมั่นความยึดติดถือมั่นในตัวกูของกูเนี่ยทุกข์ใจไม่ว่าจะเป็นโศกเศร้าโกรธโมโหรู้สึกผิดขับแค้นเนี่ยวิตกกังวล เราเอา ค, ความยึดติดถือมั่ น, นในตัวกูของกูเนี่ยอันนี้คือเหตุแห่งทุกข์พอเราเหตุแห่งทุกข์เราก็จะรู้ว่าเหตุแห่งความไม่ทุกข์คืออะไรก็คือไม่ยึดติดถือมัน่นถ้าเราพิจารณาหรือมองดูความทุกข์ดีๆนะมันก็จะเห็นหนทางสู่ความไม่ทุกข์หรือว่า ประตูสู่ความไม่ทุกข์นะเวลามีความโกรธเวลามีความเกลียดเวลามีความเศร้าอลองพิจารณาดูใช้สติดูนะมันก็จะเห็นว่าโอ้ประตูสู่ความไม่โกวยประตูสู่ความไม่ทุกข์ก็คือการปล่อยวางนะไม่หยึดมันถือมัน นมองทุกข์หรือรู้จักทุกข์มันก็เห็นนิโรธนะที่พูะเจ้าเนี่ยเมื่อตัสสอนอริยสัจสี่เนี่ยทรงสอนทุกข์เนี่ยเป็นอริยสัจข้อแรกตามมาด้วยสมุดไทยนิโรธแล้วก็มรรคแล้วก็ทรงสอนว่าให้รู้จักจา ก, กาหนดรู้นะทุกข์เป็นสิ่งที่ต้องรู้นะอย่างที่เราสวดมาสักครู่เนี่ยทุก เป็นสิ่งที่ต้องรู้รู้เ น, นี่ยที่ทีใช้ว่าปริญญาเนะี่คำว่ากำหนดรู้บางคนก็ไปเข้าใจว่าหมายถึงเพ่งนะจริงมันคือการรู้รู้ทั่วรู้รอบะปริญญาแปลว่ารู้รอบรู้ลักษณะอาการของมันแล้วก็รู้ว่ามันมีสาเหตุจากอะไรเมื่อเห็นใจแห่อองทุกข์นะใจแห่อองความไม่ทุกข์มันก็เฉลยออกมาในตัว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 หรือจะเปลี่ยนให้มันง่ายกว่านะั้นเหมือนกับทุเรียนนะทุเรียนเนี่ยทุเรียนนี่หนามมันแหลมมือไปโดนก็เจ็บแต่ว่าข้างในทุเรียนนี่โมันมีเนื้อที่หวานหอมในในหนามในหํ า, นาทุเรียนเนี่ยมีของดีอยู่ เช่นเดียวกันนะในทกุก็มีความไม่ทุกนะถ้าเราทิ้งทุเรียนไปนะเราก็อดของดีแต่ถ้าเราจับทุเรียนไม่ดีนะมันก็เจ็บนะมันก็ตำมือเราเราต้องรู้จักชฉอนะฉ อ, ออกมาก็จะเห็นก็จะได้ของดีนะคือเนื้อทุเรียนที่หวานหอมนะอร่อย ทุกข์ก็เหมือนกันนั้นตลอดพิจารณาดูมันก็จะเห็นหนทางสู่ความไม่ทุกข์ซึ่งก็ต้องอาศัยการดูการเห็นการมองหลวงพ่อเขียดถึงน้าถึงเน้นย้ำเสมอนะเห็นอย่าก็ไปเป็นเห็นดูมองพิจารณา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 เพราะอะไรเพราะว่ามันเฝ้าดูเราเลี้ยงเนี่ยนิสัยมันนะไม่อยู่นิ่งนะแต่มันก็มีมันก็รู้จักนิ่งเหมือนกันนะเวลามันเฝ้าดูเราเมันจะนิ่งมากเลยมันจะแอบอยู่ในอยู่บนกิ่งไม้แล้วก็เฝ้าดูเรามันนิ่งจนข้างเรามองไม่เห็นนะเพราะมันไม่ขยับเลย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 ถ้าเราไม่ไปไปรวมรันพันตูกับอารมณ์เหล่านั้นนะหรือว่าไปคล้อยตามมันนะถ้าเรามันสังเกตดูมันนะมันก็จะเห็นและการเห็นเนี่ยก็ทำให้เราสามารถจะเป็นอิสระนะหรือไม่ถูกครอบงำด้วยอารมณ์เหล่านี้ได้ที่แล้วก็เห็นด้วยสติก่อนนะก็ทำให้อารมณ์เหล่านี้เนี่ยมันจางคลายไปเพราะว่ามันเกิดขึ้นในยามที่เราเผลอ พอเราไม่เพ้อพอเรารู้ตัวมันก็หายไปแต่ต่อไปก็เห็นด้วยปัญญานะเห็นว่าอมันมีร่างเอามาใจาความยึดมั่นถือมั่นนี่แหละความไม่รู้นะในความปรุงแต่งว่ามันมีตัวกูแล้วไปยึดมันมันก็ทำให้ทุกข์ถ้าดูกายดูใจไปเรื่อยๆนะไม่ต้องไปดูอย่างอื่น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 เห็นความจริงก็โอมันมีทั้งเดินทั้งตัวก็มันมีแต่รูปกับนามมันไม่มีตัวกูไม่มีเราเพอมองไม่เห็นเนี่ยนะมันก็เลยไปคิดว่ามีเรามีเราตลอดเวลาทำอะไรก็เราทำเราเดินเรานั่งเราโกรธเราเศร้าเราทุกข์แต่ที่จริงแล้วมันเป็น มันเป็นอาการของกายกับใจนะไม่ใช่อาการของเราเป็นอาการของกายเป็นอาการของใจไม่ใช่อาการของเราหรืออาการของกูเนะนี่ยนั่นก็เป็นความจริงที่เห็นได้นะั้นถ้าเราหมัน่นดูมันมองอยู่เสมอเราก็จะพบว่าโอ้ในทุกนี่มันมันมี กุญแจนะสู่ความไม่ทุกข์อยู่เมื่อเราเข้าใจเช่นนี้เนี่ยเราจะไม่หันหลังให้ทุกข์นะเราจะไม่กลัวทุกข์นะทุกข์มาก็ดีเราจะดูมันเราจะศึกษามันนะบางทีไม่ใช่แค่ดูมันอย่างเดียวหรือว่าไม่หนีมันอย่างเดียวบางทีต้องเดินเข้าหามันด้วยอย่างที่พระสัจจริงเขาว่าเนี่ยอยากจะได้ลูกเสือก็ต้องเข้าถ้ำเสือนะ อยากจะได้ของดีก็ต้องยอมเสี่ยงนะอยากจะพ้นทุกข์อยากเป็ิสรจากทุกข์มันก็ต้องเข้าหาทุกข์นะเพื่อที่จะเรียนรู้นะจากทุกขนะ์นักปฏิบัตินี่หรือว่าผู้ที่ปรารถนาความพ้นทุกข์นี้จะไม่กลัวทุกข์จะไม่หันหลังให้ทุกข์จะไม่หนีทุกข์นะแต่ว่าจ ะ, ะเผชิญนะด้วยการ กำหนดรู้นะหรือว่าดยการรู้มันให้ทั่วถึงเราจะรู้ทุกได้ยังไงถ้าเราหนีทุกถ้าเราเอาหัวซุกไว้ในดินไม่ยอมเผชิญหน้ากับทุกเราจะรู้ทุกได้ก็เพราะเราเริ่มต้นจากการเห็นทุ ก, ก่อนเห็นถึงรู้นะแล้วรู้ก็จะละได้ถ้าเราหนีทุกนะไม่กล้าเผชิญทุกนี่ แล้วเราจะรู้จักทุกได้อย่างไรถ้าเราไม่รู้จักทุกเราไม่เห็นทุกเราก็ไม่สามารถจะเข้าถึงทางพ้นทุกได้ก็เวลามันเจอทุกทีไร น, นะก็อย่าไปกลัวมันเพียงแต่ต้องระวังอย่าเข้าไปเป็นนะทุกข์ก็มีไว้เห็นไม่ได้มีไว้เป็นนะนีครูบาอาจารย์ท่านสอนเอาไว้ทุกข์มีไว้เห็นอย่าเข้าไปเป็น ไอ้ที่มันย่ำแย่เพราะเขาไปเป็นนะแต่ถ้าเราตั้งหลักมาเห็นมันนะมาดูมันนะปัญญาก็เกิดและทุกข์ก็ไม่สามารถจะครอบงำจิตใจได้อันนี้ก็เป็นคำสอนหนึ่งของหลวงพ่อนะที่อยากใจ้พอเราได้พิจารณาช่วงนี้ก็เป็นช่วงเวลาที่หลวงพ่อใกล้ใกล้กกกเวลากับช่วงที่หลวงพ่อมอรณาภาพนะประมาณตีห้า อาตมาเนี่พอทําวัดเสร็จในวันที่ยี่สิบสามสิงหาเนี่ยปัญยายเสร็จนะลงไปข้างล่างเนี่ยแม่ชีเมีวยวเสือก็มารอบอกว่าหลวงพ่อไม่ดีแล้วนะอาการไม่ดีแล้วเกี่อาการไม่ดีเนี่ยหมายถึงสิบห้านาทีก่อนนั้นนั้นพรอแม่ชีมารอนานแล้วนะสิบกว่านารอทั้งสิบนาทีไปถึงปรากฏว่าหลวงพ่อก็สิ้นลมทล่ะ ประมาณตีห้านก็คือประมาณช่วงใกล้กลนี้แหละแต่ที่จริงหลวงพ่ออยู่กับเรานะ่ข้างหลังอาตมานี่ก็เป็นอาสนะของหลวงพ่อที่ท่านใช้ท่านใช้นั่งนะแล้วก็แสดงธรรมให้กับพวกเรานะต่อเนื่องกันมาหลายปีทุกวันที่ทางวัดก็ยัง รักษาอาสนะนั้นไว้เพื่อเตือนใจว่าที่จริงหลวงพ่อก็ยังอยู่กับเร า, นะาที่จากไปที่สลายไปก็เป็นแค่เรือนร่างนะเป็นแค่ธาตุสี่ดินน้ำาลลมไฟหรือเรียกว่ารูซึ่งเป็นของชั่วคราวแต่ความเป็นหลวงพ่อเนี่ยก็ยังคงอยู่รวมทั้งคำสอ ง, องท่านด้วยเพราะฉะนั้นเนี่ยก็ให้เราระลึกว่าแม้หลวงพ่อท่านจะ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 และเพื่อประโยชน์แห่งธรรมจ้าวบอกว่าปีหน้านะพวกเราจะได้มาทำความเพียรกันใหม่นะสิงหานะปีห1หรือว่าถ้าเราจะทำและที่ที่จริงก็ควรจะทำความเพียรไปเรื่อยๆไปตลอดแต่ว่านะถ้ามาครบปีเราก็มาทำเพื่อเป็นอาเจริบูชานะ ถวายท่านอย่างที่เราได้ทํนะในค่ำคืนที่ผ่านมานะกะ็ยุติเพียงเท่านี้อ้ากลับภาพพร้อมกัน